หากเป็นปุทุชนคนทั่วไปคงจะรู้สึกเหนื่อยหน่ายและหงุดหงิดรำคาญใจที่ต้องถูกรบกวนครั้งแล้วครั้งเล่าจนแทบจะหาเวลาเป็นของตัวเองไม่ได้แต่สำหรับท่านพระครูผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมรูปนี้ความรู้สึกดังกล่าวไม่เคยบังเกิดขึ้นเพราะท่านยึดหลักว่าการสง่งเคราะห์ญาติโยมเป็นหน้าที่โดยตรงของท่าน ซึ่งแม้จะเหนื่อยยากสักปานใดก็ไม่คิดถดถอยดังนั้นเมื่อนายสมชายบอกกล่าวเรื่องที่แม่ฉีดเจียนมารายงานท่านจึงออกคำสั่งว่าไปตามตัวมาบอกฉันให้มาพบที่กุฏิโดยด่วนครั้นนึกถึงภาพที่สิบธหนุ่มจ้องอกสาวเมื่อตอนสายจึงสั่งอีกว่าปลุก เจ้าขุณทองไปเป็นเพื่อนด้วยไม่ต้องหรอกครับผมไปคนเดียวดีกว่าขี้เกียจฟังมันบ่นในยามวิกาลเขาว่าเพราะเคยรู้ริษกันมาแล้วงั้นกอดชวนแม่ทีไปด้วยสองคนจะได้ไม่น่าเกลียดท่านหมายถึงทีสองคนที่มากับแม่ทีเจียนครับชายหนุ่มรับคำ แล้วลงมาบอกให้แม่ทีสองคนทราบงั้นฉันจะเดินไปเป็นเพื่อนอีกคนแม่ทีเจียนพูดพลางหันไปมองอาจารย์ชิดแม่ฝายนั้นจะกำลังนั่งสมาธิอยู่หากก็คงไม่เหมาะถ้าเธอจะนั่งณที่นั้นโดยไม่มีบุคคลที่สามอยู่ด้วยเมื่อคนทั้งสี่เดินไปถึงสำนักทีก็ดินเสียงร้องไห้คร่ำครวญ สลับกับเสียงกลดา่าเสียงสับแช่งที่ออกมาจากปากของนางสาวส้มปล่อยได้ยินไหมเห็นฤทธิ์แม่เจ้าประคุณด้วยอย่างฉันเอาไม่ไหวจริงๆถึงต้องไปเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบทั้งที่แสนจะเกรงใจแม่ชีเจียนว่านายสมชายทั้งขำทั้งนึกสมเพศ เมื่อได้ยินได้ฟังโอ้ยปวดว้ยปวดจะตายอยู่แล้วแอไว้ไม่มีใครเห็นใจไอ้สมปล่อยเลยมาชีไว้ยไปตามหลวงพ่อมาหน่อ ย, อยเออถอะเอ้กูนะกูเกิดมาอาภัพพ่อแม่พี่น้องก็พากันหายหัวไปหมดเออีแม่ออแม่นั่นแหละที่ทำกรรมให้กูเสกใชใ้กูเอาลูกหมาไปปล่อยกูก็เลยต้องมาเป็นอย่างนี้ แม่เฮงซวยแม่มะหมายอย่างนี้ก็มีด้วยหล่อนกลดา่าแม่บังเกิดกล้าวสมปอยลงพ่อให้มาตามไปพบด่วนชายหนุ่มบอกได้ยินว่าท่านพระครูให้ไปพบหญิงสาวก็ได้สติและหยุดร้องครวญคร่ำรำพันจริงเหรอไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอหล่อนถามด้วยหวังใจว่าการได้พบท่าน จะทำให้ความเจ็บปวดที่กำลังได้รับอยู่นั้นบรรเทาเบาลงเขาจะมาโกหกเองทำไมกันไปรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเดินไหวหรือเปล่าหรือจะต้องให้หามไม่ชีเจียนพูดอย่างรําคาญไหวจะไหวหญิงสาวว่าออกเสียใจที่แผลงฤทธิ์จนทำให้คนเขาเดือดร้อน ทั้งที่ท่านพระครูกำชับนักหนาว่าให้อดทนงั้นก็ไปกันเดี๋ยวนี้แหละนายสมชายพูดพลางออกเดินนำหน้านางสาวส้มป่อยกับชีอีกสามคนต่างพากันเดินไปเงียบๆโดยไม่มีผู้ใดปริปากพูดทีสาวสองคนที่มาเป็นเพื่อนแม่ชีเจียนนั้นไม่ผิดกับคนใบ้เพราะไม่พูดไม่จาทั้งตอนไปและตอนกลับ เมื่อคนทั้งห้าเดินมาถึงกุฏิท่านสมภารวัดป่ามะม่วงนั่งรออยู่ที่อาสนะแล้วอาจารย์ชิดยังคงนั่งสมาธิอยู่ที่เดิมเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่านเจ้าของกุฏิลงมาข้างล่างคนทั้งห้าทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งแล้วท่านพระครูจึงพูดกับนางสาวส้มปล่อยว่าไงอาลวาดใหญ่เลยหรื ข้าเพิ่งเตือนไปหยกหยกทำไมลืมเส็จได้ท่านมิได้แผ่เมตตาให้หล่อนด้วยเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวจะเคยตัวกระนั้นหญิงสาวก็ยังรู้สึกว่าความเจ็บปวดทุเราลงเมื่อได้มานั่งต่อหน้าท่านเป็นอุปทานที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นในตัวบุคคลเวลานี้หล่อนเสมือนคนไร้ที่พึ่ง จึงยึดท่านพระครูเป็นสรณะฉันปวดจะหลวงพ่อมันทนไม่ไหวจริงๆ <_' S 2> ก็เลยอลาลวาดงั้นหรือการทำเช่นนั้นมันทำให้เองหายปวดใช่ไหมไม่หายจ้ะมันก็ยังปวดเหมือนเดิมแต่มันแปลกนะหลวงพ่อเวลาฉันมานั่งต่อหน้าหลวงพ่อฉันรู้สึกสบายขึ้น นั่นเป็นอุปทานของเองต่างหากเองดูโยมเขาสิเขาก็ปวดไม่แพ้เองเหมือนกันแต่ทำไมเขาไม่โวยวายอย่างเองหญิงสาวมองดูอาจารย์ชิดเห็นเขานั่งนิ่งเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆจึงเทียงว่าเขาไม่ปวดอย่างฉันนะสิถ้าปวดก็ต้องทำอย่างที่ฉันทำนั่นแหละงั้น เดี๋ยวเองลองถามเขาดูก็ได้รอให้หมดเวลาซิก่อนเกิดเขานั่งอยู่อย่างนี้ทั้งคืนฉันไม่รอแย่เรอหล่อนพูดอย่างไม่ตกถ้าเองอยากรู้จริงๆริก็น่าจะรอได้งั้นฉันไม่อยากรู้ดีกว่าหล่อนเปลี่ยนใจพอดีกับเสียงนาฬิกาปลุกดังกังวานขึ้นอาจารย์ชิด ถอนจิตออกจากสมาธิแล้วลืมตาช้าๆเขาก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วอุทร์ว่าปวดเลอเกินครับหลวงพ่อปวดมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาได้ยินหรื อ, อยังส้มป่อยในเองว่าเขาไม่ปวดไงละ่ะท่านพระครูหันไปพูดกับสาวคนป่วย ปวดแล้วทำไมลุงนั่งเฉยเราก็ับไม่ปดวดละจ๊ะล่อนถามอาจารย์ชิดก่อลุงพยายามใช้สมาธิคมเวทนาแล้วลุงก็คิดว่ากำลังใช้หนี่กรรมทั้งที่ยังไม่รู้ว่าลุงทำกรรมอะไรไว้ถึงอย่างไรหนู ก, ก็ยังดีกว่าลุงตรงที่รู้กรรมของตัวเองแล้ว อีกประการหนึ่งหนูก็ปวดอย่างเดียวไม่มีกลิ่นหน้ารังเกียจเหมือนของลุงเพราะฉะนั้นหากจะเปรียบเทียบกันแล้วลุงอยู่ในสภาพที่แยก่กว่าหนูมากนักแต่ลุงก็พยายามอดทนสู้กับมันฟังอาจารย์ชิดพูดแล้วนางสาวส้มปล่อยก็เถียงไม่ออกท่านพระครูจึงพูดเสริมอีกว่า ฟังข้านะส้มป่อยฟังแล้วก็เก็บไปคิดเป็นการบ้านปราดเขาสอนไว้ว่าหัตดสนดินย่อมไม่ทิ้งลีลาแม้ออกศึกไม้จันย่อมไม่ทิ้งความหอมแม้แห้งอ้อยย่อมไม่ทิ้งความหวานแม้ผ่านหีบบัณฑิต แม้มีความทุกข์ย่อมไม่ทิ้งธรรมโยมชิดเขาเป็นบัณฑิตนะแม้เขาจะมีความทุกข์ก็ยังรักษาธรรมะไว้ได้ส่วนเองทำตัวเยี่ยงคนผ่านพอประสบทุกข์ก็ทิ้งธรรมมีอย่างที่ไหนแม้แต่แม่บังเกิดกล่าวของตัวเอง ก็ยังด่าได้ท่านตำหนิติเตียนหลวงพ่อได้ยินหรือจ๊ะคนถามมองหน้านายสมชายโดยคิดว่าเข้ามาฟ้องกดถ้าไม่ได้ยินแล้วคาดจะพูดถูกหรือเองไม่ต้องสงสัยว่าจะมีใครเข้ามาบอกข้าหรอกข้ารู้ของข้าเองโดยไม่ต้องมีคนบอก ขอให้เองรู้ไว้เสด้วยว่าข้ารู้ได้หากอยากจะรู้ฉะนั้นก็อย่าพูดอย่าคิดอะไรอะไรที่มันไม่ดีขอให้สำเนีกไว้ว่าอย่างน้อยข้าก็รู้ถึงคนอื่นจะไม่รู้แต่ข้ารู้ท่านพระครูยำ้ำมิใช่จะอวดอุตริมนุษธรรม หากต้องการจะสอนบุคคลผู้สอนยากเช่นนางสาวสมปล่อยผู้นี้ฟังหลวงพ่อท่านสอนแล้วก็เก็บไปคิดทบทวนนะสมปล่อยคิดแล้วก็ต้องทำให้ได้คืนเองอาละวาดอีกข้าคงถูกคนอื่นๆเขาเล่นงานแน่แม่ทีเจียนพูดเสริมที่สาวสงคน ไม่เปิดปากพูดเช่นเคยหลวงพ่อจ้าฉันไม่ชอบชื่อส้มป่อยเลยมันทำให้ฉันนึกถึงกรรมที่ปล่อยลูกหมาหลวงพ่อช่วยเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ฉันด้วยได้ั้มจ้าหญิงสาวเปลี่ยนเรื่องเสธทันใดทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะไม่อยากฟังคำตำหนิติเตียนไม่ชอบชื่อส้มปล่อยรืองั้นก็เปลี่ยนเป็นส้มแป้นเอาไมหมเล่า หรือจะเอาส้มเชงคราวนี้ทั้งแม่ชีทั้งคร์หัต่างพากันหัวเราะคนป่วยจึงว่าไม่เอาจ้ะฉันไม่อยากได้คำว่าส้มด้วยหลวงพ่อช่ยเปลี่ยนให้ใหม่ไม่เอาทั้งส้มทั้งปล่อยแล้วก็ไม่เอาอักษรปอด้วยจ้ะงั้นกดชื่อเพชรชราก็แล้วกันเผื่อจะได้เป็นนางเอกหนังกับเขาบ้างชอบไหมละ่ะ เพชรชรานะ่คราวนี้คนป่วยยิ้มหน้าบานรีบสนองว่าดีจ้ะฉันก็เคยคิดไว้เหมือนกันแล้วพูดกับทุกคนในที่นั้นว่าต่อไปนี้อย่าเรียกฉันว่าส้มป่อยนะจ๊ะฉันเปลี่ยนเป็นเพชรชราแล้วหลวงพ่อท่านเปลี่ยนให้นี่ฉันต้องไปแจ้งอำเภอไหมจ๊ะประโยคหลังหล่อนถามท่านพระครู ถ้าเองจะเปลี่ยนจริงๆก็คงต้องแจ้งแต่เอาเถอะให้หายป่วยเสียก่อนค่อยดำเนินการอันที่จริงมันไม่เกี่ยวกับชื่อหรอกนะคนเราจะดีหรือเลวจะสุขหรือทุกข์ไม่เกี่ยวกับชื่อแต่อยู่ที่กรรมจะชื่อไพร่เพราะพริ้งแค่ไหน หากทากรรมชั่วก็ชื่อว่าเป็นคนชั่วอยู่วันยังคำ่ำจริงไม่โยมท่านถามอาจารย์ทิตจริงรับบุรุษวัยหกสิบรับคำแล้วเองละ่ะที่ข้าพูดมานี่เองเห็นด้วยไหมเพชรชราคนถูกถามยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ก่อนตอบว่า จริงจ้ะเห็นทีสาวสองคนนั่งยิ้มหากไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงถามแม่ทีเจียนว่าแม่ทีสองคนนี้เขาถือว่าจีวิรัติหรือยังไงถึงไม่ยอมพูดจาถูกแล้วจ้ะหลวงพ่อเขาถือมาสามวันเข้านี่แล้วดีจริงอาตมา ขออนุโมทนาการปฏิบัติธรรมนั้นหากจะให้ได้ผลจะต้องไม่พูดไม่คุยกับใครเลยเอาละ่ะกลับที่พักกันได้แล้วหวังว่าเองคงไม่ทำริษอีกนะจ๊ะแม่เพชรชราท่านกำชับนางสาวเพชรชราคนได้ชื่อใหม่รับคำหนักแน่นแล้วก็เหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงถามท่านเจ้าของกุฏิว่าหอ็งพ่อจ๊ะด่าพ่อด่าแม่นี่ต้องตกนรกใช่ไหมจ๊ะฉันกลัวตกนรกจังเลยจ้ะกลัวก็ต้องรีบเจริญกรรมฐานเข้าหากเอ็งปฏิบัติได้ถึงขั้นบรรลุญาณ16เอ็งก็จะสามารถตัดอบายภูมิได้ตายไปก็ไม่ต้องไปตกนรก ท่านพระครูตอบแล้วฉันต้องปฏิบัติอยู่นานสักกี่ปีละจ๊ะถึงจะบรรลุอันนี้ข้าตอบไม่ได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเองคนอื่นจะมากะเกณให้ไม่ได้หน่าพ่อแม่เนี่ยบาปกว่าเอาลูกมาไปปล่อยใช่ั้ยจ๊ะหล่อนถามอีก ถูกแล้วทั้งนี้เพราะพ่อแม่นั้นมีบุญคุณต่อเรามากในมาตาปิตตคุณะสูตรพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าลูกจะให้แม่นั่งบนบ่าขวาให้พ่อนั่งบนบ่าซ้ายทายอุจจาระปัดสาวะรถลงไปบนบ่าลูกลูกเป็นผู้เช็ดให้ หาอาหารมาป้อนให้กระทั่งจนท่านตายหรือกระทั่งลูกตายไปก็ไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณข้าป้อนข้าวป้อนน้ำนมที่ท่านได้ถ น, นอมกล่อมเกลี้ยงบำรุงเลี้ยงมาอย่างดีได้พระธวรจนาที่ท่านพระครูหยิบยกมากล่าวอ้างทำให้คนฟัง ระลึกนึกถึงบิดามารดาของตนโดยเฉพาะคนที่ชื่อยังใหม่เอี่ยมอ่องอยู่นั้นถึงกับน้ำตาซึมแล้วทำอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเลิศที่สุดครับอาจารย์ทิศถามกล่าวโดยสรุปก็คือถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วลูก สามารถชักจูงพ่อแม่ให้กลับเป็นสัมมาทิฏฐิได้นั่นถือว่าได้ทดแทนบุญคุณอย่างเลิศอันนี้ฉันไม่เข้าใจจ้ะคนจบชั้นประถมปีที่สี่ว่าอาจารย์ชิตจึงช่วยอธิบายให้หล่อนฟังเป็นการผ่อนแรงท่านพระครูไม่ความว่าถ้าพ่อแม่ของหนู มีความเห็นผิดเป็นต้นว่าไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วหนูสามารถชักจูงชี้แจงให้ท่านมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญมีจริงถ้าทำอย่างนี้ได้ถือว่าทดแทนบุญคุณอย่างเลิศที่สุดแล้วถ้าฉันพาพ่อแม่มาเข้ากรรมฐ า, านละจ๊ะ ถ้าทำเช่นนั้นก็ถือว่าเอ็งได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างเลิศที่สุดแต่ก็มีข้อแม้ว่าพ่อแม่เอ็งจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่มานั่งกินนอนกินเปลืองเข้าสุขวัดคนประเภทนี้มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะที่วัดนี้พอออกจากวัด เลยไม่ได้อะไรกลับไปแล้วก็เที่ยวไปพูดว่ามันนั่งหลับหูหลับตาเสียเวลาทรรมหากินหลวงพ่อจ้าฉันอยากพาพ่อกับแม่มาเข้ากรรมาฐานแต่ก็จนใจเพราะไม่รู้ว่าเข้าไปอยู่ที่ไหนกันจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นางสาวเพชราพูดหน้าสงสารท่านพระครูจึงจำต้องช่วย โดยบอกหลันว่ายังอยู่ทั้งสองคนนั่นแหละเอาเถอะเอ็งช่วยตัวเองซะก่อนขอให้ตั้งใจปฏิบัติหายป่วยเมื่อไหร่ค่อยคิดช่วยพ่อแม่ช่วยยังไงจ้าข้ายังไม่บอกเอ็งตอนนี้หรอกเอาไว้เวลานั้นมาถึงแล้วค่อยว่ากันใหม่เอาละ่ะ กลับไปได้แล้วแม่ทีสองคนที่ถือวจีวิรัตินั้นอาตมาขออนุโมทนาขอให้ปฏิบัติก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นคนทั้งสี่กราบลาท่านพระครูแล้วจึงลุกออกมานายสมชายจัดการปิดประตูด้านหน้าและด้านหลังแล้วเตรียมขึ้นนอน เพราะใกล้สองยามแล้วลุงพ่อง่วงหรื อ, อยังครับอาจารย์ทิศถามเขายัางอยากคุยกับท่านพระครูต่อเนื่องจากมีข้อข้องใจสงสัยที่อยากจะเรียนถามอาตมาไม่เคยง่วงหอกโยมจิตมันเป็นอัตโนมัติเส็นแล้วปกติอาตมา นอนตอนตีสองพอนอนปุ๊บก็หลับปับ๊บโดยไม่รู้สึกง่วงพอตีสี่ก็ตื่นเองโดยอัตโนมัติถ้าเช่นนั้นผมขออนุญาตเรียนถามเรื่องฌานต่อได้ไหมครับเพราะมันยังค้างใจผมอยู่จนเกิดเป็นความกังวลเวลานั่งสมาธิงั้นก็ถามมาเถอะ อาตมาจะได้ตอบให้หายข้องใจสงสัยแต่ต้องบอกกันไว้ก่อนนะว่าถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็อย่าไปสงสัยเรื่องอื่นต่อไปอีกประเดี๋ยวจะกลายเป็นวิจิกิจช้าทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้าครับผมจะพยายามสิ่งที่ผมจะเรียนถามหลวงพ่อคือ ผมอยากทราบว่าฌานที่จะนำมาเป็นบทฐานของวิปัสสนานั้นเป็นฌานขั้นไหนและถ้าเราไม่ได้ฌานก็จะไม่สามารถจะเริ่มวิปัสสนาได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับเอาล่ะอาตมาจะตอบคำถามหลังก่อนที่โยมถามมานี้แสดงว่ายังแยกไม่ออกระหว่าง ทานกับสมาธิอาตมาจะอธิบายคำหลังก่อนคําว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตหรือภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กําหนดจึงเป็นภาวะจิตที่มีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่ฝูงซาดหรือสายไปสมาธิ มีสามระดับคือคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วขณะอุปจาระสมาธิเป็นสมาธิจวนแน่วแน่และอปปนาสมาธิเป็นสมาธิแน่วแน่อันเป็นสมาธิระดับสูงสุดซึ่งมีในฌานทั้งหลายดังนั้นภาวะ ที่มีสมาธิถึงขั้นอปปนาสมาธิแล้วจึงจะเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นยิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมะต่างๆที่เป็นคุณสมบัติของจิตก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ๆ คือรูปประชานสี่และอรูปประชานสี่รูปประจานสี่ได้แก่ปฐุมปานทุติยชานตติยชานและจตุตถปานส่วนอรูปประชานสี่ได้แก่อากาสานันจายตนะปาน วิญญาณัญจายตนะฌานอากินัญญายตนะฌานและเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานท่านพระครูอธิบายช้าและชัดเจนคนฟังกำหนดฟังหนอแล้วตั้งอกตั้งใจฟังใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ฟังจึงเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง แม้เป็นเรื่องยากที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี้โยมเข้าใจใช่ไหมครับผมเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับถ้าอย่างนั้นลองอธิบายให้อาตมาฟังหน่อยสิว่าฌานคืออะไรคือภาวะจิตขั้นอัปปนาสมาธิครับ ขันคณ ก, กะสมาธิกับอุปจารสมาธิยังไม่เรียกว่าชานดีมากทีนี้อาตมาก็จะได้อธิบายถึงสมาธิที่ใช้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาหรือจะเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิก็ได้วิปัสสนาสมาธิได้แก่ สมาธิในระดับระหว่างคณิกะสมาธิกับอุปจาระสมาธิทีนี้โยมตอบมาสิว่าการที่จะเจริญวิปัสสนานั้นจำเป็นต้องได้ฌานหรือไม่ไม่จำเป็นครับเอาละ่ะทีนี้ก็มาถึงคำถามแรกที่โยมถามว่า ฌานที่จะนำมาเป็นวาดฐานของวิปัสสนาเป็นฌานขั้นไหนโยมพอจะมองเห็นคำตอบไหมเป็นขั้นไหนก็ได้ใช่ไหมครับถูกแล้วเพราะเมื่อจะยกจิตขึ้นสู่อารมณ์วิปัสสนาจะต้องถอนจิตออกจากฌานซิก่อนหรือถ้าหากไม่ได้ฌาน ก็ต้องถอนจิตออกจากสมาธิเสียก่อนในสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระมหาติสเถระท่านเจริญอัธิกรรมฐานจนบรรลุปฐมฌานแล้วใช้ปฐมฌานนั้นเป็นบาทฐานเจริญวิปัสสนา จนได้บรรลุเป็นพระอระหันต์ถ้าอย่างนั้นฌานก็ไม่มีความสำคัญมากนักสำหรับผู้ที่มุ่งในทางวิปัสสนากรรมฐานใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ถ้าผู้ปฏิบัติมุ่งในเรื่องอิทธิปาติหารชฌานมีความสำคัญมากและต้องเจริญให้ถึงจตุตถฌาน แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ได้จะตุติทานทุกคนจะมีอิทธิปาฏิหารจะได้เฉพาะบางคนที่มีสมาธิแก่กล้าเท่านั้นในคมภีร์วิสุทธิมักยังระบุไว้ด้วยว่าผู้ที่จะได้อิทธิปาฏิหารนั้นต้องมีบุญบารมี อันสำเร็จมาแต่ชาติก่อนมิใช่ได้เพราะความเที่ยวชาญในสมาบัติอย่างพระอาจารย์สุวินท่านก็ต้องเคยสร้างบารมีมาจากชาติก่อนๆใช่ไหมครับถูกแล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถฝืนกฎแห่งกรรมไปได้แสดงว่าอิทธิปฏิหารก็ยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมใช่ไหมครับ แน่นอนบ้างคนไม่เข้าใจคิดว่าถ้าได้อิธิปาติหารแล้วจะพ้นเวรพ้นกรรมมันพ้นไม่ได้หรอกโยมเอาละนี่ก็ดึกมากแล้วโยมควรจะพักผ่อนเสตทีอาตา ม, มาก็จะขึ้นไปเขียนหนังสือต่อเมื่อท่านบอกจะขึ้นข้างบน อาจารย์ชิดก็รู้สึกปวดแผลขึ้นมาทันทีจึงพยายามประวิงเวลาการสนทนาด้วยการถามว่าหลวงพ่อเคยเจริญฌานหรือเปล่าครับเคยโยมอาตมาเคยเจริญกสินอยู่หลายปีและเป็นอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อกรุณาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเจริญฌาน ให้ผมฟังเป็นธรรมทานได้ไหมครับท่านพระครูไม่ตอบหากลุกขึ้นไปหยิบคัมภีร์พระไตรปิฎกเล่มที่21อมาจากตู้เปิดตรงหน้า77สแล้วส่งให้ผู้สูงอายุโยมช่วยอ่านอาจินติสูตรให้อัตมาฟังหน่อยสิอาจารย์ชิดจึงอ่านตามที่ท่านสั่งในสูตรนั้นมีข้อความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสีประการนี้อันบุคคลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนอจินไตสีประการเป็นชนะไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งฌานวิสัยของผู้ได้ฌานหนึ่ง วิบากแห่งกรรมหนึ่งความคิดเรื่องโลกหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาจินไตสี่ประการนี้แลไม่ควรคิดเมื่อบุคคลคิดพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อนเมื่อบุรุษนั้นอ่านจบท่านเจ้าของกุฏิจึงถามขึ้นว่าเป็นยังไง อยากรู้เรื่องฌานอีกไหมไม่อยากแล้วครับลุงพ่อผมยังไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็ไม่อยากเดือดร้อนมากกว่านี้เท่าที่เดือดร้อนเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็หนักแทบจะรับไม่ไหวผมไม่อยากรู้เรื่องนี้อีกแล้วครับเสียงเคาะประตูตามด้วยเสียงเรียกท่านพระครูดังขึ้นอีกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง เดินไปหยิบลูกกุญแจผมเปิดเองครับอาจารย์ชิดขันอาสาแล้วรับลูกกุญแจจากท่านไปไขประตูท่านเจ้าของกุฏิกลับไปนั่งอย่างอาสนะเพื่อรอรับการร้องทุกข์บุรุษวัยห้าสิบเข้ามากราบท่านตามด้วยเพื่อนบ้านไวัยไล่เรียกกันอีกสองคนหลวงพ่อครับ อีกเช้ามีผมถูกผีเข้าหลุงพ่อช่วยไปดูมันหน่อยเถอะครับบุรุษนั้นรายงานผีที่ไหนมาเข้าละ่ะไม่ทราบเหมือนกันครับแม้มันด่าเป็นไฟล้ำทุ่งเลยหลุงพ่อช่วยไปไล่มันออกหน่อยเถอะครับตกลงไปก็ไปเดี๋ยวนะขอขึ้นไปเอาของหน่อย ท่านขึ้นไปปลุกนายสมชายแล้วหยิบย่ามพร้อมไฟฉายหนึ่งกระบอกก่อนออกจากวัดท่านสั่งอาจารย์ชิดว่าโยมพักผ่อนตามสบายนะไม่ต้องกังวลเรื่องเปิดประตูอาตา ม, มาจะเอาลูกกุญแจไปด้วย